นามอัตสาภากวัตุวาราตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติมติวารารุหราชาบุติยัสสินีปะฮาปะกักันติตตาติวะปะติตาชะมติ พิงคาวิดุราพิคุตังลายอันวานาราจามาตรีสีนุจานาตกิวกอมวาทตินพร ลำคอก่อมเป็นปองแม่นโบยองก็หากงามหรือสาวหน้าตาเป้าสราอาดใจใจขาดติ้งไต้ลางพ่องลืมแหลงง่ายหายอยากเข้าพ่อว่าหันรูปเจ้าแม่มาตรี ตอนเป็นลูกสาวศรีพยามาตาราชมียอดอาจหรือสร้างาโป๊ตาจูเหียงนางเต้าเตียงคำฮาน ทองสิเนหาผ้าแม่ตุงเงือมแก่ดองนาในศาลาวิเศษดาวผ้าติดอาสมนางก็ยอผ้าหน่อมือ ขา้าวหวน้ำบาไทยสยอดใต้ดินสันสายยายันตาคุมปันเป็นผีเนือทอราณีแก้วกูไก่เต้าอยู่ตรองทมวันนั้นเล อาธามหาสันตุในกาลานหูใจผ้ามหาสตาราศีปสันรวอนไรปั่นไปมา หันยาราจามาตรีผ่านแผวใสยอบดาวแล้วตั้งยืนหูใจฟื้นเดือดร้อนตุงโศกคอนกายา คุณคุณน้ำอีหมากอดลำบากลื้อใจมีอะไรเลิดแล้วพอว่าหันน้องแก้วตอดตอน ต, ต, ตาย กาวนอนงายตีไกแต่บาดไทยทอราณีส่วนว่าผ้าบุญมีตอนมีเศษเบาตั้งเตสินิฮาเอามือเจ้ดนำตาเจ้าใจไปอยู่ไกลแหล่งดู ว่ามัตริกูตายแต่รือว่าอันแล้วก็โยโ ห, หนา้าไทยขึ้นปาดไว้เนิร์ตเต้ายินรักขั้งคอยผายอซอยบุญมี จิงเกา ว, ว่ามัดตรีเฮยน้องนาฏธานาตีนี้เบากุนนางแกวราดมาตายเจ้าก็น้ำมาผ้าภายเกตเกา ว, วาลูกมาเตอเจ้าแมื่ออ่อนคิงฟู ของจุมปูเบามีไผ่เพบใดลุกมาต่อแกวหนา้าไทยแม่บูตองลุกมาต่อแม่บูกังนองเฮยซอยกี่ลุกมาปากตานมีสิ่งหวาน ลุกมาขานต่อปีอันบีให้ไปแม่มึงนางปีก็มาข้างอ่อนเอให้พันแผ่ไปมาจัดน้ำตาซาสุดผลลุงแล้วแหลนไปหา ภาคาสันธาแก่นไทยเกิดได้แล้วใจมาว่ามัตริกูตายแต่รือรู้ว่ า, าพอแพ้นาลืมคิงนี้จา ก, กันว่าเจ้าข้านิ่งรู้แล้วก็จึงเรียกเอาขวัญแก้วแม่นางเมือง วาสีจอมจึงเฮยเจ้าปีเบ้าใจตีแม่เจ้ามาตายกลางดงได้ป่าไม้กว่านางนาไทยจุงขึ้นมา กวนสีสุภาจุงขึ้นมาเตากวนเจ้าแม่ยาฝังฝ้ามือมอน้นกวนเจ้ายาไปขึ้นอยู่ดองดอนป่ากวางกวนเจ้ายาไปอยู่จิมเรีจจางแลเสือสีง กวนเจ้าอย่าไปอยู่จิมโบก้าติงตเกิกากวนนางอย่าไปลาเล่นเดินดาวกวนนางอย่าไปอยู่จิมคุ่งข้าวตูวน้อยน่อยกวนนางอย่าไปติ้นหอยอยังป่าไม้ไกลตา ตูราตูยาไปอยู่ยังดอนนาป่ากว้างกว่า น, นางยาไปอยู่ยังเถินจางติยุมขอค้างดาวดอยกว่า น, นางยาไปตินไม้เกฟอยร้องอยู่ไวอยวอยตีกลางเถินทำอากาตุง อย่าไปอยู่ยังป่าไม้ดยเจอพำเสยันกวนนางอย่าไปลาแล่นจิมแม่ยักษ์ผีแขน อย่าไปอยู่กับดวยเปินเสือยันผีเสืหวยกวนนางอย่าไปอยู่จิมป่ากุ้ยแหวหาหาโจยตีวังเวกวนนางอย่าไปซานุกซานี้ในป่าป่านน้ำเหล่าไรคือป่าไม้มาปาน ปาทีนั้นเป็นสันธานป้านีล่าลอยก่อนนั่งย่าไปอยู่ด้วยเปือนอีคอยแล่วอกกลางนังดี อุยอุยนอลุงมาต่อกวันสีสบเหยือลุงมาต่อเจา้ากวันหูนางอย่าไปโศกเศร้าแอวเววันอย่าไปเรรรันรำร้รองในแห่งห้องหมาวันจุงรีบมาปันอย่าอยู่วันหูนาง อย่าไปแป้นแม่พึ่งแล่แมงปูบิ น, บนวันกวนหนางอย่าไปวิวันร้องไห้ในป่าไม้ผู้ดอยกวนหูแม่สีดำม้อยอย่าไปสุขงสอนกวนอ่อนน้อย ไ, ไม่อย่าไปส่อง กวนนางอย่ า, าไปอยู่ยังป้อง้ังกินอบไมกวนนางอย่ า, า, า, าไปกังกยัยแอวแสวงกวนหูแปงอย่ า, า, า, าไปตื่นแม่นว่าไปตื่นก็ฮือปันมา แม่นว่าไปอยู่รูผาก็ฮือปั้นเต่ามาเข้าสู่ขาบเก่าตอนนั้นอย่าฟังวางใจจากความนาผากมือมอน ตัดตีนี้แผ่นดองดอนป่าไม้ดังหรือนางมาล่าปีไว้อยู่ตอนเดียวบันนี้นางปล่อยมาตายในดองเขียวถึนทรงปีเบามีเปินป้องปอสอง กูปีจังพองดาฤใดัยไผจังมาจอยพาไมเป็นลูไผจังมาจอยตุมเมา ห, หนางกำพาขวัญไดจังมาลาังนาเมอดม ไผจังมาวิผอมแลงเกตเกาขวัญใดจังมาบนำเจ้าแม่จอมมึงขวัญใดจังมาผาดาผอมเรื่องยาใหญ่ไผจังมาผ่านต่างใสสรงหู ไผยจังมาแปลงปูรองเสวไว้ไผ่จังมาให้ไปแม่หึงน้านีจา้าโวยน้อพี่วัานางเมื่อตายในหน้ากอนลุงเมืองมิ่งปีน้องขินกันมา วินาคารา์มึงสองอันเดือดล้เขาก็ติงว่าจังมองมันซ้ำวิงวอนคือว่ามึงเจตุตารานกรและมึงมตาราชอันแผนจันเจอจาดวองสา ตั้งปิตามาดาเล่นเต่าควันอยู่เฝ้าสองสาการปังไปาสาจังมาตั้งหมูคขายิงใจควันตั้งหลายเหลือเละตุงดาวเต่นานาตั้งลุงตามีมากจันเจอหากมาโมน เขาก็จังจนกันมาแปลงกูดแก้วติ้นปองแล้วคำแดงผ้าดามของแปลงอองอาจกูปีจังอือเปิน่นแตงหางผาษาดป้อกัง ตั้งสองมือจังอือเป็นมหาปางอันใหญ่เต็มรุมเนออกใสหัสดีลิงของคางปิงภาศาสน้ำเต็มบาทซ้ำสีคือว่ารูปราจาสีและจามารีมอมใหม่เห็นนอมป่ายบินเครอง ฝั่งปอนเจอหลายหลากตั้งรูปนอกจากอาปางแล่ห้องสาตั้งรูปคุณทาราเลี่ยนไปนอกขินหมายฮัสดีลิง กาลาปินจิงแขกเตาซองปีกเปาเขียวดีกินนารีนาร้อนอย่างฟอนหม่ทิ้นอ่อนหาการมีหลายพันหลายหลากตังหนากนำนาคีตังหัีจ้างมาหลายหลังนาเื้อสิ่ง ตรรูปฝงยิ่งงามซาแ้มใจจูบแก้มลุ่มใจลูบมฆค่าไหลรีราราชคือวันวาดดูเปล่า ดอกบุขาวสะอาดภาษาแก้วแววยุงกองโลสุงรอยจันไม่แก่นคันจันแดงไม่สาุุล่าเวียงมันสาสวาดภ า, าสาดแก้วลิงลาย มีจึงใจสะอาดน้ำเต็มบาทดูเปล่าดอกบูขาวยัดวางแมงปูสว่างบินบาน คือวันสอนแส้นสิ่งขายแก้วหญิงตุ้งปใบไรายายเจอจอดข่าบอบความปีจังใสบูพายข่าบอบงายปีจังใสบูแวนทัดหน้าเตียนปีจังใสไลยวง ตีปาตุขังปีจังเตรมรูปหงและติว่าดายืนอยู่ไกลถือดอกไม่อยู่จรนดอนบางคนปีจังอืดถือจามมอนไกวกวาดแขวงบางคนปีจังอืดถือชาติกังเตียงพีดานกลาง บางคนปีจังเอือถือหางยุ่งงามหยาหยาดดูวิราชโดยจามนใสจนร้อนย้อนหญิงไต้ฟ้าคิ่งดูคัน เปลืจังส่องแสงการ น, นางงามแก้วปีตุ้งดาวมีเจ้าจนยังฟูงควันมนหมู่เบาวเศร้ากูญิงใจ ปีจังเอือควันตังไลยหมุนแหล่นฟ้อนดีแต้นห้อข้าโยงควันถุงยินดีมากตีปาดกองเพรี ปันดอดีเป่าทองสิงติงตองนอนตรีบางควนปีจังอือตอมือตีต่างแช่งปีจังอือเปืนเตียงเล่นหลายภากาันโดยอันส่องสถทานดังนี้แล้วปีจังแต่งไฟมาแก้วหยดหญิงบอน หันวันตอกปีจังเตียงรูปควันถือไฟยันขี่จ้างเล่นขึ้นมากงกองฟอนปายวันเอือปีจังเอือเปื่นเตียงรูปผายาทอนละนางฟ้าขึ้นขีมาอัศดอน โหูกงอนนองก็อาดดังว่าจังขี่ขึ้นฟ้าก้เบา้อนเลียนขึ้นซาส่อนสาสวาดขึ้นจับของภาศาสไว้ไวักันไฟจับจอดแล้วไฟมาแก้วลุดลลงมา ยามนันนางติวาดาป่อยจืือเแหล่นขึ้นจ้อแต่ปืนขันงายไฟสนสายเป็นดอกปลายวันออกปีจังแต่งไฟเขาตอกแล่ไฟขี้ รูปมอมปีตูเติบจังเอือไตเจ็กขึ้นจับของไฟรูปห้องแลลนอกยุงตูมีปีกขึ้นฟอนฟีกกนล่องไฟกลางเห่าวันพัดปั่นจอหลันขึ้นเรื่องาย กวนไฟพายจาจุดไฟสุนขึ้นขังงหาปานดังดาวอย่างฟ้ายามนั้นปีจังง่ายเงี่น้าเลียงดู คืนผ้าผูตอกล่องมาผ้าผ่าปานกาเบอบินจาเปิวไฟงามยอมดอกปานเข้าตอกกำไย ไฟสางายดอกน้อยขี้ดอกซอยสันสนันสาปุงรันลูบเตยกไฟมาเกลียก่ยเป็นเปี่ยวกวนไฟเขียวตีจอฟ้ามานกับอาดังจากบินบอล หล่อมพีสิววันปันเก้าแผ่นดังจังยกเอาผ้าสาเจ้าเมื่อบนดังวานางเมื่อใายในเมืองควันใหญ่กว้างปีจังเอือเปิ้นเตียงสร้างสองสาการ แผ็น้ามานดังนี้แล้วจริงจังได้ื่อว่าราชาสองสัการแก้วเม่นางเมืองแลนามันนี้นางปล่อยมาตายในดองลูงป่าไม่เบาว่าแมงจังมาต้มใตใสหนึ่งนั้น กูปีกอมเบาหันควันได้จากมาไกลเดนติ่งว่าจังล่าเม่ไว้ก้าดางเตบดินายกูปีจังหล่อมได้ดูเป่าเดนติ่งว่าจังเอาหูเข่าเจ็ดนำตา จังการตาสามาตรดารือใดก็เต่าจังร้องให้อยู่เร่รอนอันนี้ก็หากเป็นกรรมมาจนเกน้างเก้ยวจึงกาเก้ยวมารนาจาเล ปเิดุรานางสายใจเฮยแวนฟ้าดังหรือนางมาลาปีไว้เป็นกำผ้าอยู่วอนคาง ปียาเบาใจปีจังนางจำจากเบารักหากคำไปกลางด้องไหป่าไม้คือแก้วแก่นไทยปีมาตายกูปีกอ้อมเบาอาจจังตรงตอนใดอยู่ใดพ่อว่าแสนสุขไม่เลือไฟ กูปีกึนถึงนางงาสใจเจนจากอันแผ่นกำผ้าภ า, าตายไปเลนา่าหนังว่าพยายาชันใจตอนป่อดกึนใจต่อถึงเรามานำเอาเมือสู่ในแก้วกูของมึง หน้าก่อนหลุเรื่องใหญ่กว้างคำต่านสร้างฟูรียามอันกูเบามีหันหนานางนอนลาอินผ่านเหตุว่าตุงสงสารมีมากคือว่าตุงอันใดปั่นผาตอนนางนีหนอ ป่าหูจานาเมิอนนั้นขวัญตั้งลายมนมากพร้อมตุ้งปากจังถามว่ามัตรีงามจึนจอยตั้งลูกน้อยสองสีเบาหันมีอยู่ไกลปั้นพังผ้าที่ไหวไปไหน ยามนั่นกูปีจังคำหานางใสใจเบาใดเต่าจังคานาให้ก่าวว่านางตายนางตายจ้าเลหหุยนอกแก้วแก่นไทยแม่โซภาจุงขึ้นมาต่อเจ้าขึ้นมานั่งอยู่เฝ้าสาลาง ขึ้นมาจ้าต่อปีขึ้นมาหนุ่งพาที่ายวังผืนสอนห้องรูมเงิกตั้งเสอเพิกไหลเคอขึ้นมาเออโอจ้าต่อปีปากรอปีสิงวาน นางจอมกวนเฮยนอเนานางยาลาปีไว้สุกเศร้าใจมองนางคำผ่องเฮยแว่นฟ้าลุงมาสวยนามเอบันเดียว ลูกมาต้อนนางผอมเขียวเฮยน้องรังปีลุงภากตีมาปันลูกมาต้อนนางจอมกันเฮยลูกมาต่อเจา้าลุกมาหาลูกเตาจาลีและนางกันหา ลูกมาต่อสิโซผ้าเอ้ยยอดแยม้มสองฝ่ายแก้มดังคำเดียงลูกมาแฝงตานปีอันบีห้ไปแม่มึงนาง ลูกมา่อสีขิงบางเฮ้ยน่อลาลุงมาถ่ายเสภาแม่พื้นดีลูกมาวีพมาเกตเก่กาลูกมาต่ตเจ้าปีเบาเบื่อสังนัง มีเบาจางเบิดอจานเม่คำแสนล้านและแกวแม่แสนตังไปเอวเสวงหาคงกลางก็เบาใดไตหลุมฟ้าตีบจุมปู ไผ่จากเสมอดังแก้วบุญจูนาดน้องพั่มตัวห่องลูกาหาไผจังมาเพีบเติมใดใต้หลุมฟ้าเบาเหมือนนางจังเสมอดังสีขิงบางยอดเยีมสองแก้มดังคำเดียง คิงแวนหลึงแหลบแอวหน่อยแตบสมพันธ์เหมือนดังสาวสวรรค์จันฟ้าปล่อยมาความนาเมเป็นพีลุกมาต่อสายสีเฮยนานโนลุงมาปากตันรอจันจัา ลุกมาต่อสายสินี่หาเฮยหนอเนาปีสุกเศร้าก้มเบายินลืมลุกมาต่อสีปึงใจเฮยตีหอยลุงมาจ่าหญิงออยสิงวนัน ลุกมาขานสิงหมุ่นลุกมาปากเสือรุนเอาใจควันหัวนางอย่าไปไกลต่างห้องควันหัวนางอย่าไปเข้าสู่ต้องเมควนใด ลุกมาต่อแกวสายใจเฮยจุงขึ้นมาหาคาราขาบเก่าขึ้นมาเหล่าสันตันปีกองหันเต ก, กีกวนหูเจ้าอย่าไปลี่อยู่ตันใด แม่นว่าหลองไปไหนเถิรทมตียาน้ำแม่วังเวหืวริมเริวมาอย่าอยู่แม่นว่าควันหูนังไปเป็นแม่พึ่งแล่เมียงปูต่ตอมรอดหมู่กันทาง แม่น่ากวันหูนางไปแผนที่ว่าดาอยู่ฟ้าคือจิ้วไหวนาขึ้นมาแม่น่ากวันหูนางไปโต้ก้องกาต่ำใตอยู่ด้วยคุณอาไทยหมู่นากา เพือปันมาขึ้นเหล่าสู่าบเขาตอนนั่งอยากฟังวางจิตใจตายจากคาอยากฟังคำนาเม่ไปโปอย ควันหูนางอยาไปอยู่ยังดอยเถิ่นทำควันหูนางอยาไปอยู่ยังยานลำดุยเปิ่นผู้บังควันหูนางอยาไปอยู่แก่หินผางาบงาควันหูนางอยาไปอยู่โดยหมูจังแม่ปังไป เจ้าจุงมาสุขสาบายหายสุขเศร้ากวนหูเจ้าแม่อย่าไปอาปูวิตาหนาเสนสุกก า, าย่าตองมาอยู่ห้องสันดานอย่าริมเอานี่ปานนอนปีเจ้าตีหอยใส่ใจ สีน้องไหวเฮยเลิดลำแม่นว่ากันต้องนำ้ำปีก็าจากล่องอ่ำแมนว่ากันหัวนางโตงปึกตั้มปีก็าจากล่องปัน แม่นว่ากวนหัวนางเข้าสู่แผ่นดินหนาเจ้าจันปีก็จังเอาสิมไปคูดเขดันเอามาม า, มาตอกวนนางเฮยเจ้าปีวานอยู่ใจใจเจ้าก็ร้องให้เรกวนนางก็มีเหมือนัันเล อุ้ยนอตุ้งขังกูนีนอตุอง้งเบาใจน้อยกาขาดก้อยอยู่ตอนเดียวนีน่นอหวานหันเล แม่นว่ามหาคาสตอนผ่านแผวตอนแก้วเกิดใจขี้จิงซำแปงสติดีมันนั่งอยู่หันเลียงดู ว่ามัตริกูตอนวิเศษกัมนาเตตตายไปเบามีใจอยู่ห่องก็จังปั้นถูกตองหันทางเจ้าก็ย่อมือคว้ามาปาดเนอองนางเต่าราตวี ยามนั้นใจนางมียังอุ่นมาหมุนตองมือตอนเจ้าก็นำตอนกันตีมาผ้าผันรูปนานั่งอยู่ทาลลอมดูหันเล ในเมื่อมาหาสตาราศีเอาน้ำตอนกันตีมาฮัดหล่อใจนั่งหม่อขึ้นมาโดยติจาศิลาเจ้าหมากกัางถินทวงหากภาวานา ตอนเจ้ามาอยู่ป่านั้นำว่าเจ็ดเดืนนี้เสรื่นมาบทสร้างภาหมดแปนจีก็เบาถูกตองตอนนางบัตรีสังเตุอยอนนั้นเจอในบุญนันเล มติปิโคทกังกาลังวิตินอาเมตตาตาระกาคุหิงกาตาส่วนวานาราจามัตรีสีจึนจอยยังอยู่น้อยหนึ่งแล้วจริงขึ้นมา ข้าปาตาผ้าบาดเจ้าทำหายังลูกเตาหนอดสองสีว่าข้าเดมาราชาเจ้าเต้าไปสีลูกเตาราไหนสองใสใจปีน้องแกวรมต้องเบาหันมานอีจาง มาหาสาตตุปิส่วว่ามหาฆาสตอนบุญมากจริงตานปากจินจัยังว่าจนากาถาจึนจอยกำโดยนางหนุ่มน้อยมตี อันว่าสองสีงามลูกเก้ยวปีกก็ได้หืตานแล้วแต่วันว่าอันว่าคุมมาราตังกูพามเท่าปู่นำไปแล้วเลตามทังปากาสินตูสั า, าหา สาถาสาปัญอยู่พาปุธาเจ้าจังสาแเดงอัธาปาลีปังเมื่อนางมัตรี์สีหนุ่มเนาอันจาเดินหาลูกเต่าสองสี แกเกรีป่าไม้ตุงแหละไรดองไัยฮือแจ้งใสสุดเจตแกเตเวทและปุทุจนพาตาสาปนตันอยู่เก่าพาพุทธเจ้าเก่ากาทาวา เจาปตาราจาบุติงอุตาเกนาพิสินจิตาอาสัณนังวิตตาถานังอิตามาประวีดังนี้พิงคาวิดุราพิกุตังาลจุงจังฟังนี้ยายบุปาจัดแต่ห้องมาตาราตอันดี ส่วนว่านางมัตรีศิราอาตอันเป็นเจอสมันตาราสืบสายมานางก็ไปปิจารณาซ้สอใสเข้าป่าไม่จะเดินหายังสองบุตรหลายแห่งนางเต้าเตียงขึ้นมา สศาลาแก้วกูในติวเวสันดรนนางกอใสย่อมมือมอนใจขาดไกลผ้าบาต้าบุญมีภาราศีเฟิ้นฝังเอานำทังภายตกมือลูบออกหื้อจึนนางเต้าตื่นขึ้นมา จึงทาหาลูกเต่าสึงผ้าบาเจ้าผู้ทรว่าคาเดผ้าเวสันดอนเฮยเจ้าคอยเต่าไปเสีลูกน้อยราไนา สองสายใจปีน้องเบาหันมาเป็นเปินป้องอยู่สาลานีจาอาธ่านไอกาลานันมหาคาสะตอนผ้าเสืเส้แสงบังเกิดกาถาเป็นวาจาไขเก่าฮื้อรููข่าวอันมี ว่าพัติดูรานางมัตรีศรี ส, สระอาดอันว่าสองเจ้าราดกุมันปีก็ได้หือตานกว่าแล้วเปอิอไปแป่น้าแก้วปั่มเริอนพาม แต่ยามนางเบาอยู่พามเท่าปู่จ้าเดินมาอยู่ในวันวาเล้่ยเลยยามนั้นนาราจามตรีสีอาเข้าตันตอบเต้าตอตอตอถอยสาน ว่าคาเดพาผู้บ้านเฮยตีไวยามเมือคาร้องรำให้วนหาสองบุญตาลูกแกวขึ้นรุงแล้วเลงมาพราราชาเป็นเจ้าตาลลูกเต่าแก่จีพาม โปรยเบามีกำงามบอกคาอันไหวนามาถามนี้จ่าเมื่อนั้นพามหาคาสัจเจตตอนสังสวรก็เก่าเป็นอุวาทกาทาวา อาติเยเนวติมัติตุขังนาคาตุมิชิสังตาริโตยาจกูอุตโตพระโมคคารมากาตุดังนี้ดูรามัณตรีเฮยหนอไทยปีบ่อใจเสียงละไว้ดีดี ยามหูตี้จังเก่าอยว่าร้อนผ้าผ่าวใจนางยามเมื่อนางเที่ยวต่างมารอดอยว่าจังรวงให้หอดิวห้าง ยังมีพรามณนาลำบากตัวไรอยากแข็นใจเบาเมียนใดสักสิ่งตูกแต่ยิงปานตายมันของควายหาลิงปากเท่าลำบากรวยเรียง มันเดินเสวงตาไม่พอว่าตุวไรเบากูตายจึงซาไปท้องห่เขาความเต้าลูกเต่บ้านมันมารวสาลาปีน้องมาขอแก้วร่มต้องแม่ตั้งสง ปีซ้ำป่องเอาผยาสาปันยูดงวีเศษคือเป็นเหตุนำมาหลงรักราบเบาว้ปอดไปให้แป็นต้านแก่พรามณาจาร์ผู้หนึ่งแล้วเปื้อนแป่นขาแก่ปั่มเรื่นมัน พามจังปันหนีจากเอาสองเจ้าภากไปไกลเตเมือนางใสใจเบาตันมารอดเบาตันมาอุ้มกอดเจยจอมเบาตันมาปันกินน้ำแลดอมข้าหมอมเบาตันมากอมสองเจ้าหนังเนื้อตาก สองบุญนาปีน้องปอม่อนมอมมองไปนางจุงตนาไลาขันไมอย่าได้ให้นางแจนดีหลีพ่อว่าสราเป็นราศีอยู่ดังดีปากกว้างอยู่เสิบสางผู้ที่สมปัน ซุงสำรานตุงคำเจ้าเบาโศกเศร้ า, ากังวันกันว่าตอนเบาตายเมื่อนาก็เด่นติ่งว่าจังได้หันหนาดู ก, กำผ้าตั้งสองวันหนึ่งโบายาจาเล มติดุรนานังอันทรีอันวาซาปุริสาตอนดีมีพระหันยาจกมาสู่ในติยุธรรมของ ก็พึงยอกยออโดย ง, ายง่ายจ้องายหืแฟนตันตั้งเขาสารและเขาเปิกแตงแล้วเลิกตุองอันตั้งวันคำจ้างมาตั้งหมูขาหญิงใจกุนควงควายตกแต่งแรนแล้วแบ่งแผนตัน นางจุงมีใจบ้านกึ้นถูกโดยอันกูปีได้ฮือลูกเตาเ่าแปนตานโดยภาคานดังเก่ามาหนีเตอมาตีปิโคสวนวานาราจามัตรีศรีสราจได้ยังโอวาตรกัมดี แห่งพาราสีตอนผ่านเผาอันผาา้าสะอาดหืดลูกตเตาแป่นตันเปื้เหล็กเอาแผ่ซาปันอยู่ตันยานเดือดแล้วนางหนอกแก้วจังอานุโมตานา ยังปารามิยันอันญิงนางเต้าจิงเก่ากาทาวาอันอุโมตามีติติวาพุตตะกิตาณอมุตตามัตตาตวะจิตังปัสาติพินยุตาหนังตาตูภาวาดังนี้ ที่ว่าคาไวมหาราชาเป็นเจ้าค า, ขาก็นอบนอบเก่าอนุโมตานาะยังปารามิยานอันยิงซึ่งเต้ามิงจอมผูเจ้าตอนผู้ฮือแล้วยังหลูกแก้วเป็นตัน ด้วยใจบ้านที่เจอเลื่มกว่างเผอใจบ้านเต้าหือตานไปแล้วกุนซ้ำหือตานเหล่ายิ่งกว่าเกาไหลปางได้เตอ โยยาจะาตังมาชีราภูติสุขะไวมหาราชาเจ้าตอนผ้าเสิดล้ำควันเกิดเนอนดิน มีอาจินอันธานิยอมหุมหียังของเบาปั่มเปี้ยงพองฮือแผ่บันอีผจนเป้แก่ดีดี จิงจังเอือสองสีลูกเต่าแก่าพามเท่าแป่นต้านเจ้าจุงมีใจบ้านต้องตื่นเริ่มใสจึนยินดีแลเตอเบิงบันพาราศีตอนจอบเก่าแก่ตอบหนังพยา ว่าดูรานางมัดที่เฮยผู้เท่านางป่อยกลาวฉันได้พี่ว่าเราเบามีใจเพื่อกวางอาสาจันโบลังจังมีคือว่าปฐวีไหววันซานันกองไปมาก็มีเล ยามนั้นนาราจามาตรีไขบอกโหลดเก่าออกไหลอันยังอาซาจันอันเหล่าว่าคาเดพาเจ้าฟาเวสันโดนมื่อคาเข้าดองโดนสเสวงกว่าไปสู่ป่าเมือยังวัน ยามพองหาหมันได้ลูกไม้อัสสาจันเกิดไว้หลายผาการคือว่าแผ่นดินดานไว้วันเสิงกองปันถึงพอมสายฟ้าจมยาวเมีเสียงร้องเรียบโดยคาง ตีว่าดาวังใหญ่ใาต่เตอากาศถึงท้องตีว่าดามีสองมูอย่อแยามอยู่วิมันคำเขาก็มากะตำสิงสาธุการจู่ห่วงตุ้งมูกองจำตาล หมูหนึ่งเจอสีสำปานนารอดใจแจ้งจอดอนุโมตานาโหมูหนึ่งเจอกุตาปปัตาติวดาดันวิเศษน้อมผ้าเนตนาเลียงดู ไข่ป้าตุผาสาดร่องเงินอาจจำบานซึ่งผ้าองค์รนเดิดแล้วอันเต้าผาสาดฮือลูกแก้วแป่นตัน เปลืกเอาเพียาสาปันอยู่ตันยานดงผ้าเสือเอื้อบังเกิดเป็นคู่เลนาอินโตจ้าอันวาพยาอินตอนเดือดํำกมขาบซ้ำเจยจอม ทั้งพยาพรมตอนสังสวัสดตทั้งพยาสูมาราแลผาาิวมันมีใจบ้านลำเลิดพิายอมเกิดยินดีพิาเวสุวันมีใจจุนย่อมือยืนสาธุการ ซึ่งอุตามาตา น, านั้นพาเสดเกลื้อหลงรังเกิดแตนตานเป็นการนั่นกาตำอยากอันพีเวสันตาราเจ้าหากสรตานวันนั้นเลตามัทถงปากาสินตุสถาา สาถาซาปันอยู่ตอนเป็นคู่ไตรโลกผ้าจังไขยาโปกปาลีปังเมือนางมัตรีตอนนองอาจอันเป็นลูกเต้ามาตาราดบุญเริง นี่สิมึงมาอยู่ในแก้วกศสาลาจังกะตามาอุโมตานาจึนจอยซึ่งอันฮือลูงน้อยแผนตาน ภาจังไขสกาบีมันเจียงจิตเกติเวทและปุถุจนภาตาสาปันตันวิเศษฮือรู้เหตุปารีก็เก่าเป็นจุนิยกาทาวา อิติมติวรารุฮาราจบุติยศานิเวสันตาระสารุโมติปุตตะกิตานามุตตามันติดังนี้ พิงขวิดูราพิคุตั้งหลายตนตรองสินใสบูริยาตอันเป็นขีนาสาวากัาติ์อาราหันตา ราชาบุตรอันวานาราชามตรีตอนเป็นลูกสาวศริพยายามตาราชภูมิยสะอาดหรือซา สุมสูพาพัมพอมคิวกรมบาติ้นพัมลำอคอกรมเป็นปองเม่นบ่ยองก็หากหรือสาวหนาตาเป้าสระอาจใจใจขาดติ้งตายลางผ่องลืมเล้งง่ายหายอยากเข้าพ่อหวานรูปเจ้าจำบาน นางก็อานอุโมตานาตาพันเผาโดยอันภาศาสือลูกเต่าแป็นตานสอมปานมีกินเก้าตราบตัวเต่าถึงความก็มีด้วยนิยอมดังเกามาอีเล มติปปังอินทิตังขิยาสังวานานาวิเศษจาหงเหตุมตรีอันมีกันเรื่องเบาเศร้าอันพาพุทธเาจ้าหากติสนามา มีกาถาวาดใดเก่าสิบตัดก็สารจะบูรามูนการะคุณเต่านี้ก่อนเล่